เราต้มาที่นี่รพื่อจุดไฟวัน้ผมจะส่มจะไปรบแต่เลยบรกว่าเขาในเจ้ามีรากมากที่สุดว่าเพื่กนผมจะส่งแ้ถามมว่าทำไมเป็นงั้นเลยเขาในเจ้าต้องไปต้องไมต้องไปเนรู้เหมือนกัน การกูากแรกตั้งก่อนกูอเมรก่อนถ้ยืนยันว่าพระประสงค์นพระู้เจชาผู้มีรากมาจากต้นดิะแต่เรามาพูดถึงกันก่อนที่จะมาคุยเสียก่นเลการเสียก็เลิกก่อนลาอะไรลอกระยะภาพอะ ยังติดอยู่ครับอาว่าไปไปก็ไม่บ้างหรือเช่นปกติแล้วทําสมาธิเสร็จก็ไปไหว้พระจุลามณีล่าเมาท่านปู่ท่านยา่าท่านแม่เป็นประจำแล้วจึงเข้าวิมานของตัวเองวันหนึ่ง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 ฉันที่ยกทรงใช่ไหมก็ไม่เห็นนี่แปลกอะไรนี่ลาหลาการเกิดพ่อเป็นอาจจะเป็นคนรูกอาจเป็นงูอ๋อลูกอาเป็นคนพ่ออาจเป็นหมาลาบมันได้ก็ด้แต่กฎู้กกรรมนะลาบาการเป็นวายจเกิดในวัดสาเป็ของบรรดากฎลกกรรมอะไอย่างใช่หมลาบลาัได้ก็ได้แต่ปกอ๋อลูกฉันเวลานี้เป็นหมาเยอะ เขาลงเขาเ้าส่งมาเกิดที่มุติ อ, อกโทรดเท่านั้นเลยโอ้โหแต่ถ้าส่งลงมานี่ยฝากาแล้วก็เขาก็ไปไปไปสุด oh. แค่าาภาษาไม่ช่วยเท่าของชวกเราฝากฝากแล้วไม่ใช่ ม, มาเพราะกดุ่ม ก, กันเป็นหมานะฝากฝากเมื่อไรช่วยไม่ช่วย oh. อ๋ออ่ะอดีตเป็นลูกพ่อเหรครับเอออนาคตก็เป็นอ๋อ oh. <laughs> โอ้เป็นไปได้มาเกิดเป็นลูกเป็นหมาไม่ได้เนาะอะไรอักทรงก็เคยเป็นหมานะเสียร่าเนเนเนเน่นเนเนเนเนเนเนเนเนเนเนานเนเนเนเนเาเนเนเนเนเนเนเนเนเนเนเนเนเก็สูงมาเนเนเนเนเนเนเนเนเนเนเนเนเนเน้นเนเนเนเนเนเนเนเนเนเมเนเนเเนเนเนเนเนเนเนเนนเนเนเลเนเนนนนเ คนให้น่นให้ดีให้มันนัเข้าไปเปรียงต่อสายหมาที่นีะ่ะปลาฝักมีบาลามีมากกว่าค น, นใช่ไก่หมูมมไม่ลุกคุคนให้เล<อ>ยมอะไรคุดก่อนเหมือนกันปลากลาทุกก่อนนอนชอบปลาต้องเค็มเวลาเราไม่อยู่ก็ให้เนยไั่ตังค์แล้วถ้าไม่มีมันหมดก็ฮะใครๆก็ต้องให้ใช่ไหมปลากลาถ้าปลาคนไปตั้งเลยกลับมาเนยไม่ให้ตังค์เลยทำทำไมเลวงพ่อครับทำทำไม เมลุ่นพ่อไปสบายเล้่หัวใหญ่แทนนี้มีหม้อเดียวมาทีสามสี่หมอเลอ๋อปลาเจ้าคนเกินลอยใส่ได้เลยเลี้ยมหาอิกขี้ช้างก็แย่นี่เรีล้ว่าเป็นไปได้นะอันี่มันทัางทุดก่อนโน้นก็เหมือนกันปลาแม่มันตั้งพอมเขาบอกไปเลยตัวไหนสีอะไรสีอะไรมาจากไหนมีหน้าที่แบบไหนโอ ไม่ใช่เป็นความจำ้มาเกิดเป็นหมาเพียงแค่มาเกิดช่วยาานี้อย่าพ sí. yep. ูดรู้เรื่องพูดรู้สารบาปที่จะมาอื่นไปเป็นหมาแสนลูกเลยนะไมไม่ได้จะหน้าจะเทียบได้ว่ามันไม่สวยเลไค้อนนะไม่ไม่อมลงอ้โหนิดเดียวว่าไม่สวยจะมยอมงแม้แต่หาพูดแค่ไม่สวยนะอโมอย่างนี้ถ้าขอวยก็คงเบะ แมเออความฟัไม่คนหมานะรับได้เลยนะขอไว้หมาเลยนะอไปแหวนทองเทของใครมีผู้ทาหล่นอยู่ท่านวนสุดมโนมดิพี่โรธมากแม้ถ้าไปกองคาก็สายสวายวัดเลยนะเป็นกองคำเรื่องนิทานแล้วนิทานไงครับเป็นเสมแล้วแต่หลวงพ่อจะพัก ลูกเป็นครูแล้วก็เป็นนักปฏิบัติกรรมฐานวันหนึ่งชวนเพื่อนมาปฏิบัติที่ซอยสายลมนี้แต่พอเริ่มนั่งกรรมฐานจริงๆแกมีความเร่าร้อนประสพทกระส่ายเหมือนกับไฟไหม้อยู่ในตัวอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเขาเป็นอะไรหรือมีอะไรทำให้เป็นเจ้าค่ะ รขาเป็นอะไ ร, รขขเขาตอบเขาเป็นคนเขามีอะไรก็มีธาตุไฟในกายยิ่งนอนร้อยไม้เฉลีลยครับเพราะเขานั่งสทะหูมันบวบหัวถ้าแกะเบิดออกเป็นเสียงอาเสียงผมว่าต้องคิดแล้วต้องคิดแล้วครับต้องคิดแล้วทีหลังที่ทาในเขาก็มาโววทษสัพพตายนารมณ์เสียก่อนโความริงใจขอมาโทษศาสนาคุนักควรทาทุกครั้งที่เราทำกันไม่เลยนะ ป่าป่าทุกคนนี่ยมีดหน้าดีหลังก็มีนะะพราจริงฉันไม่รู้ว่าพออาจารย์ถามมาก็ย้ถามไ่ใช่เรบอกท่นิอ๋อเออแล้วก็ยังมีวงเล็บว่าเป็นคนนีสัยไม่ค่อยดีหน่อยๆอย่างเงียว่าอะไรเพราอ้แหมเอาไรมาแลกกันนะครับให้ขอมาดีๆไม่ดีไม่เื่องเขาฝายของเขาโทษจตุนายตุนาคุณใช เมื่อวันเสาร์ต้นเดือนที่แล้วลูกทำตมาธิที่ซอยสายลมเห็นพญานาคสามตัวขึ้นมาฟังธรรมะ ก, กับหลวงพ่อที่ซอยสายลมที่นี่อยากจะเรียนทราบว่าการเห็นของกิฉันเป็นการคิดหรือเป็นความจริงเจ้าคะเรียนหน้าผู้หญิงผู้ชายเพราะเขาพิเศษแน่นนะเลบางคนขึ้นมนาก เด็กผ oh ู <c <c <c ้หญิก no> ็ชายอ้อพยาน่อ๋อพะยาแน่เราเป็นผู้ชายไหอ๋อหน้าเป็นผู้หญิงมากู้หญ้งเมียพยาเป็นผู้หญิงโอ้โหผู้หญิงตั้งเมียนี่หว่ะผู้หญิงน้าเมียพะยาเนี่ยไม่เออของพ่อเราพีจริก็ถามมาเลยนี่ยอ้าววันที่พยานาิมาฟังธรรมะ เห็นวยาด้วยจิตแล้ว เ, เขาคิดไปเองแต่ว่ามันก้ามาระดุมมันอยู่แล้วเป็นความจริงเขาต้องถามเขาคิดจะเปล่าละ่ะแล้วทีไม่เด็กคิดกำลังฟังธ<อ>รรมะถ้าไม่ได้คิดก็อของจริงคํา<อ>ว่าพยานหน้าเนี่ยเราคริดเราไปศึกษจที่มาราภนาคานางทิพสิกมาตกที่ระเบียงสูงลาภลาภที่วิชาชุดนี้เราเรียกวรหน้า ก็รงก็เลยหลว่าเป็นนาคงูเก็เลยทาเป็นนาคงให้ดูป่าป่าว่าที่งโที่บ่บาตอนต้นตรนเชิญท่านมาเชิดใจคู่ครองป่าป่าพระเจ้าที่วันกร์ว้นพระเจ้าที่ศุกเป็นได้ของท่านองพที่ใต้เป่นได้ขอ ง, งพันธุ<า>์ป่าป่าพที่หลอกพรที่คนพันธ า, นานที่แต่ที่เหลือไป็ได้คยักษเาเวช่วยนะอนี่เวลาท่านมาท่านก็ต้องใจเพท่านนี้เป็นนาคก็เลยงูปราป่าไม่เทวดา จริงเห็นจริงรักจริงฟังจริงพูดจริงตอบจริงนี่ขาดไปนิดนึงยังไม่ได้จ่ายจริงจริงโอ้โอ้โิ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โา้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอรโอ้เอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ้อ้อ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ้โม้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้้้อ มีตังเปล่าเนี่ยคามีตังสบายว่าเท่างเลยนะจนุ่มส่อาจจะสบายแค่นั้นแม่งบุกุกเป็กแ่นดี้อาจจะไปเลยและววันหนึ่งลูกกำลังจัดหนังสือธรรมะเข้าที่หลังจากอ่านแล้ว เรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นแสงอะไรเจ้าคะวัแดกหนังสือธรรมะของหลวงพ่อเห็นเองเสื่อมไปทางหนังสือคือไม่ทราบก่ะแสนี่นี่ข้อยังไงนะอาจารย์อ่านจัดหนังสือธรรมะของหลวงพ่อเก็บเก็บเก็บขอเก็บแล้วก็ก็มาจะเข้านอนพอดีก็เห็นแสงสว่างปลากรดควงมางหตอนแดดที่สากจันทร์เท้าเลยครับ ถ้าพูดประเภทเราเนีน่ยสาาเป็นแสงจากดวงดาก็ได้เป็นแสงจากคมก็ได้ <c oughs> เป็นแสงจากพระอรหันต์นิพพานไป็นแรง ก, นนไวกว็ได้ <c oughs> เป็นแสงของพระตัณหาก็ได้ <c oughs> <c oughs> แม้ว่าที่ัพูดเลยฉังงฟังคำพูดอะไรบอกเป็นแสงของญาติขอ้ท่านญาติเหรอฮะโถคนโงนะใครคนมาที่โง่เฟังจะโดนแสงของญาติมาถึสงเคราะ โอ้เแหมจริงจริงนะผันยากตลอดนานสักคไม่ชะแ้เลยไม่จะนานแข้งเลยครับนี่อามาเออยังสนุกนี่แค่บ่อยสั็นากสำหรับการเร่ยนัะครกัน นี Đây, ่น hmm <được. S 1> <devil. S 2> ี ue, toi, oh, oh, ่บางคนยังมองเอ๊ะพ่อผู้ึุลาบาลีอะไรสามะอ่านยางยังแปลไม่ออกแกง่ายแกแล้วแกนี่ที่แกจะมั่วเรื่องอ๋ออ๋อสามะอ่านยงสาราการานี้พรเจ้าขอถึงคุณแม่สามยที่ประสจนไีไม่ได้ไมไนี่มีสความมีคนมารายงานบอกแหเจ้าไปขึ้นเปลงกป็นใหญ่เลยครับ ปฏิบัตทาแบบพระบริสัทอ๋อใช่ตัดลื่อนามทราบกันแล้วทาทราบแล้ว่าปฏิบัติาพแบบนี้เป็นปฏิบัติทางอะไรฉันบอกปฏิบัติทางของบริสัทธ์ใแค่วันยืนยันช่วยแค่ถามปฏิบัติทางทนั้นแหละอ๋อลำบากนี่หน่าเราลึกจึบอกว่าเป็นพระโวิสัตว์มโหสถมหายาั เถื่อเยอะตีกำลังจะรักเถื่อต้องมีแห y ่ลูกหน้าเลยเอาเถื่อดีไหมเถื่อที่เราทเราใหญ ไม่บ้านก็ไม่จริงๆตอนนี้ลูกกาลังมีความเดือดร้อนกำลังจะสนองเดินขอให้หลวงพ่แนะวิธีมาเลยกาลังมารูกันไใช่สิอยากหาทางต้เชิสักไซต์เวกัมที่ไหนสะมาแจ้ก็ไว้เนี่ยการกินการสับแพ่งไม่ใช่ผลผลหรอกลาบ ในการสั์แช่บังเอิญกดพุ่งกักกขอของพ่งท น, นั่นก็จะเป็นคดีออการสั์แช่งนะครับฝ่าบ า, บามีคนที่อเมริกามองนเกิดถ้าไปไหนต้เงขอโทษขับพุ่งอถใครเป็นไรเพราะนั่นเป็นตามน้ำคันธีฝ่าบาับา่งคือกดของกรรมไม่เท่าสมองฝ่าดีดีกันอแล้วก็แกมีวิธียาังอ่อนมันก็มาสายกับดีฝ่าและที่ว่าขอขอกดุ่กรรมจะมนสนองแล้วไม่ไเราเราองนะ ปลาปาแต่ทางคุยดีเออปลาปลาต่ว่าปลาคอทางไข่โอ้โหเนี่ยปลาปลาไปเห็นพระเจ้ากาลังพูดไปนี่ไม่ใช่คุณนี่นะปลาปาคริดว่าแจ้งปล่อยลายน้ำใส่โอ้ก็เป็นใว่าทาอะไรให้ไข่คืนลอยติดปลาปลายไข่ขาวๆเลยใส่าวขาวเลยอย่างของ การก็ได้รับในภาคกลางภาคเกิดขีกแล้วองว่ากามตาามลูกอ่านหนังสือของสํานักปัตตีบัตธรรมะแห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้ามีสามภาคคือภาคขาวภาคกลางภาคดาและนิพพานก็มีนิพพานขาวนิพพานดาอีกด้วย ยังขอเรียงถามหลวงพ่อว่าลอยเค้าในตำลับตาราบ้างหรือเปล่าพุทธไปรสํานักปัจจันจะเคยเคยเคยเอาง้อเคยแหะครับเคยเคยไปไงหลวงพ่อมาถูกต้องอยงเนี้ยเรื่ไหว้ทางเจดไม่กขก็รวยแล้วโอ้ไม่รังสํานักด้วยอยังดีนายก็แถมมีแต่พ่อเจะายังมีสามภาคเหมือนกันฝ่าฝ่าวาสูงภาคกลางภาคฝ ผ้าสูงก็เลยคอทั้งที่สามผ้ากลางก็เลยก็เลยไหลมาทังเอวป้าั้นกนเลยคนขาปลายเท้าโอ้ผ้าแค่เลยไ้นี่ทันพระเจ้าพระองค์ทิ่ไทยพระเทศโอ้กเราแค่ผ้าเดียวผ้าใสาผ้าก็มีชิ้น่ไปรถไฟตังเศสยวนนี่นย อะไรปล่อยนั้นไปแล้วนะครับหนูเดียก่อนภากเป็นอารมณ์เบื้องต้นก็มี น, นี่แหละอ๋ออารมณ์เบื้องต้นจะคิดอะไรขึ้นมาภากนก็เกิดมันก็หลอกหลัลมงมานกาชายอ๋อที่ฉานสราบเท่าไรว่าพราเบื้องต้นไม่เคยโดนเอาหลวงพ่อเยเป็นเองมั้ยคะเ อ, อไม่ไม่ได้เปนีพานแบบเนี่คือเราทไม่อะไรขึ้นม า, าพักขึ้นมาหน่ยนอย่างนั้นมันถูกพักเลยอ๋อแต่ว่าที่ใช้ฉันก็ไม่ยอมหยุดนี่ ถามความเป็นจริงปเลยใครจะปรากฏจริงร๋อถามความเป็นงานว่าทาไมเลยฮนบอกอากาที่นี่มัยอีอย่างอ๋อแล้วล่องนั่เนี่ยหลังหลัหลวงพ่อจะพักรู้เป็นคนมีจิตใจเคารพเลื่องสายลงพ่อพอมาฝว่ที่ซอยสายลมพ่อไม่เป็นเลืองจึงตัดสินใจไปฝุ่ที่วัด่าตมงพ่อไม่ใจกว้าง อยากจะให้หลวงพ่อชี้ทิ่ว่าลูกมีกรรมเวรอะไรในพาสก่อนเจ้าใช่กวามไม่มี ม, มีชาตินี้ถ้าพูดแล้วก็จะฟังโอ้กรรมให่ได้ฟาสกีเองเนะี่ยอ่านวรรันยังไม่ถึงก็ค<อ>่อยไปนะรากปากค่อยไปแล้วทันใจจะอบายแค่แค่ลมฝืนกาลเวลาที่แกทำาลนวนิบนเข้าขวางอ๋อในตัวสงสัยมันเข้าขวาง ลาบาต้องตัดสินใจว่าเราจะชีวิตเท่าไรกับธรรมะลาบาเวลานี้เราจะทำกรรฐานหวังทิชตปญญาหวังอะ่รทีนี้ใช่มลาบลาบาไม่ได้แคามันตายในเวลานี้เราจะถอยตาบคณไรอีกหลวงพ่อเจ้าทักจิฉานกำลังจะซื้อโต๊ะหมู่มาใหม่ไว้ในห้องบูชาระ ก็มีทั้งละเก่าละใหม่ปักกลกันอยู่อยากจะเรียนทราบวิธีปฏิบัติวิธีตั้งให้หน่อยเถิดจะขาดไม่ได้ไม่ได้และโมเดลไม่ได้และคนละนิกายก็แยกนิกายเลยนิกายเก่านิกายใหม่ทราบสาบไม่เป็นไรยังไงก็ได้ท่านพระพุทธเจ้าเหมือนกตั้งตามที่เราทุกคนอะไรกันแน่ทราบทราบนะครัถ้าตั้งไปแล้ว จตคนอนนั่งคิดนอนคิดแวันหนึ่งสงไปเอะ่นั้นทีนี้มีป่าองการไหต้า่า่ายังไงพระพุทธเจ้าเหมนกันยป่าป่าหลวงพ่อเจ้าฟักเรื่องศส้นผ้าบริสุทธิ์นั่นหนูของฝ่ยเจ้าพักคือหนูไปี่ผู่มีแม่ตาสัตว์เลี้ยงสัตว์ แต่อีตอนเอาหมัดออกนี่สครับมัน้มีตายบ้างเป็นรมชาติแต่ก็ตายด้วยเมตตาจริแม้วมไม่ตาจริงคนนี้ไม่ใช่อะไรนะลาบลาบล้วไอ้หมัดออกใช่ไหกลาาบใจจะจักให้มันแม่มันตายอยู่แม่ตามือายนี่ไม่ฝากตาไป่ได้ถ่านเลอาสายเยจนาไปสังข์ ภาพมันกระจัดของกันแล้วเราต้องใจจะจัดมันให้เฉยสะอาดมาเรยนายไม่เป็นไรเยอะขนาดนี้นานไปหรือเปล่าปาสาวุณีเนี่ยเด็กพ่อที่ตอนที่เราเอาเอาหมาไปอาบน้าเอายาพอเพื่อจะให้มันสะอาดที่มันมันจะขาดก็ไม่เปอะไรถามดูว่ามีวิธีไหนข้อหมายไหนข้อและสิ่งข้อไหนที่คนไปเท้ายาใส่ไล่เขาแล้วปากมโอ้ ทำสามทำสามไล่มาไล่นะไม่ใช่ฆ่าไอ้เู้ใจทีศาสนาพุทธคงจะอยากไว้ว่าไปทำบาปผาแต่ว่าสิงนี้ที่แต่ว่าสิีในเวลานั้นทำโดยเขาบาปช่หาเจตนาให้ตายไม่มีเขาเล้เขสปลวพ่อเจ้าคกะปีนี้โหรเขาทำนายว่าพระสูกเล็งพระเสา ว่าจะไม่ดีต่างๆนานาหนูจาใช้คา ข, าขาที่แจกใหม่าบาับล่าสุดไปภาวนาชะแก้ได้หรื อ, รอเปล่าเดยกพรบโอ้มีแค่แก้เลยนะคาถามันจะเป็นกฎหมายแล้วแก้แ ก, แก็แก้แก่ใ น, นหน้องไม่้งไปด้าจ้าแก้ตำรวจมาบ่าตำรวจเ้าขอไม่เือ่แก้ราัามันกาลังราคาสูงขึ้น ไม่ถือว่าแกนะครั บ, รบแต่กาลังเราสูงขึ้นเขาจะลงคุนได้งลงกงได้ยากอันนี้มันพกี้กับคุยพระอยู่วังทีนี้เองคระเป็นยังไงท่งานพ่อเรื่องการแก้สถานะของมันโลกเห็นไหละ่ะแราวท่านนี้คุณพระองแรกก็คืพอพระพุทธเจ้าอบปัจจุบันพรทุกสก่อนเ ห, ห็นไหล่ะพระพุทัเจ้พระพเจ้าคุณท่านย่ง พ, พระพุทธญองไปแล้พวพบท่านประเดียวต้องไปจงัน มีองคกรต่อมาคุณไปคุณมาถามเรื่องความเป็นมาเรื่องสาวต่างๆ โ, โอ้ผมนั่นกว่าเรื่องลาบนักสำเร็จตรงพระพุทธศาสนาหนักที่สุดลาบค่แล้วเรามาใช้กกคืนใจกับสำเร็จพระพุธเจดีองค์อง์งใช่ไหมลาบลาเลยถามได้ว่าพระพุทธเจ้าจะมีกร่ีเดีอนกันไมแตกต่งางกันเร<ะ>ื่องาบลาบท่านกว่าสุดแล้วางเรื่องต้นคู่อะไรแสวงกว่า อต้องการให้ทันมากกว่กันลาบลานี่เรียกว่าสำเด็จความประสงค์ก็ดีของวุฒิภูมิทางกาก็ดีของวการศึกก็ดีลากลาอะไก็ปก็ดีคู่รพวกนี้ทั้งนันอ้นี่ก้าวเท้าประเทศให้คุมเลยกระชี้เลยเพื่อะสมลาบลาปู่ที่ให้สมองเองเนี่ยลาบลาปู่ถ้าท่านบอกเลยพ่กระสบมักลาบมา นั่นคว่าเรามีนความไม่คงที่และทำในสมาธิภาวนาไว้เสมอท่ันชินนะขาดไม่เดือรอนตามที่เราออย่างนี้ก็สบายใจใไมาดไม่ต้องไปห่วงเรื่องเสาสุกอะไรเล็งเอะไรต้นซีดเดี๋าดเสุกเร็งเพาะเสาหรือาะสาเล็งเพราุกเฮยไทยเล็งถ้าถ้าะสุกเล็งเพาะสาก็เบาหน่อย พระสาวเล่นประศุก์ตัหนักเยเดีวสาวรงมักเขาเลยโอ้โหว่งทั้งรุ่นทั้งเลงเลงนอมตัวท้งนี่นี่จะไปเจอพระสาวโบรธว่าวาาพาหรือว่าอะไราัเนี่ยายใหญ่เลยพรหนักเลยอะไรเป็นไรเนี่ยนี่านให้เพื่อหาทางหลีกอยู่แล้วโอ้องกรามประเภศนี้เราหลีกไม่ได้ ทรงกำลังให้สูงขึ้นที่นี่ต้องพูดกันจะพูดเรื่องนี้รัอหนักแล้วบอกว่าเรื่องนี้ต้องมองเป็นพาราแล้วต้องเด็ดระกพุทธกษัตระย์ศพหนักในราชแล้วอุปสมบทจะบอกว่าพุทธกษักรตริย์เม่อครวนี้นนกุปนัยเรียาเพราะนั่นคือแต่ว่าลีลาต่างกันนิดหนึ่งเพราะนทุกทีเคราวนี้เป็นกำลังแข็งมากผูแก้แข็เม่ก สามคนผสมได้นิ่มนจะราบมหาศาลกระลามาศาลนะครับโอ่ถ้าอะไรบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของสององค์สามสามแหมจะให้หลงพ่อมาทิมแจก้านไปสนิแจกก็แน่นแน่นป่านี้ลูกหลานก็โอ้ลูกหสมบูรณ์เวลาที่ยังดีอยู่เนี่ยามาให้คนที่ยินอยู่ในข้าวแลือขนมได้มีความหมายโอ มันอันนี้ไม่ใช่สินแจกทานเลยท่านถ้าหาว่าท่านแม่สมรู้ที่ไม่มีทานยูงก็ไ้เลยนะโอ้โหก็ต้องก็ตอไปขอบคุณท่านยายไปศรีขนญาติฝากนะอ๋อท่านยายไม่ศรีไม่ขนญาติไม่มีทานฝาขอที่ตกลงว่าคาถาที่ได้มาเพราะท่าท่านยายท่านแ่ราท่านเขียนชค้หนเขียนคำสั่งให้ก่อนสร้าง ปาาสิองข้อเล่นหนัเล่นเลนหนักเล่นหนักขงพบอย่นะปาษาก็ไม่ใช่ข้อที่นหนักแม้แต่อย่างเดียวก็แค่ไม่ไหวอยู่แล้วอนื่องเลยราลุตะเลงนี้และาท่านแม่ใหญ่ก็าีท่านก็บอกว่าถ้าใส่พุทธารุภาพพิลุกท่านก็นั่งอย่กันีาปาั้นได้หาท่านไปบผใช่กุณก็คือคนก็เรื่องนี้คุไปคุมาแล้วก็ แม่ท่านได้วัาศีเจ้าหน้าท่ด้วยฝากากนนี้เราการถ้าพ่อได้พอนั้นนี้พ่อคนเดียวหาทุนตัเลยไหวเอาเงินมันมาแก่กลูกฝากฝากเราให้ลูกได้ด้วยพะมนตเอาทำได้มิ ต, ตมไม่มีทางเพราะถ้าใค้จะรับากฝาหมายนี้ก็ต้องรากขอบคุณหลวงพ่อที่เมตต า, าลูกถ้าได้การมาตรง เท่าล็อกเลยล็อกไม่ได้เลยนั่นเองน่งนงไไนาไปแบบนำคนาืนเลยหลวงพ่อเจ้าขาลูกทำการค้าขายกับผู้แข่งพยายามกันแท้งเรื่องการค้าตลอดมาขนาดนี้ลูกคนไม่ไหวแล้วลูกอยากจะฆ่าตัวตาย แต่เขาบอกให้มาถามหลวงพ่อขอนเราจะตายแบบไหนนี่นนย้องปท้องงายๆงายๆง่ายง่ายๆง่าง่ายๆง่ายๆง่ายๆ่ายๆง่ายๆง่ายๆ่ายๆง่ายง่ายๆายๆง่าง่ายๆง่าย้ง่ายๆง่ายๆ่าย่ายๆงายๆงนายๆล่ายๆายง่า่ มีมีคนไปจานวนมากที่สุ้มใจเรื่องผู้แทนเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยก็ถ้าเราได้กระถางวัตไปถ้าใจเย็นและไม่มีทางอ๋ le ek le ek. ออย่างเล็กๆผ่ก็ชั้นนั่นหนักผู้สุดในกายให้ใจครักครับรัใจนครอบคกม็ม่ีอ๋นะอ่านนี่ถ้าใส่ได้ยอะตราไจนากเกินส0บาทเราเป็นเงินร้อยเชียดเงินร้อยเาเป็นเงินหมื ลาบๆจะเงินมือนมาเนเแสจาเงินแสนก็ตเงินล้านโอ้ยไม่ใจ่ายใชเงินะลาบลาแล้วก็ถามท่านบอกนะบทนี้เงินแสนนะบทนี้เพราะว่าพนักงานจะาบในขาดใช่ไหมบทนี้เงินล้านและสายวิทยาเป็นพื้นฐานใหญ่บทนี <asking Cher> ้เร่งทากันหะลาบแ้ก็อย่างนี้บดต้นที่ปัดอุปสรรคที่ลาบจะเกิดอันนี้ต้องมีอยู่ ป่าก็ต้อแล้วใช่ไหมอ๋ออย่าต้องตายเลยป้ารายถ้าัท่จะตายให้ดีก่อนอย่าตายนะถ้าฉันสิบล้านก่อนโอ้โหยังไม่ได้สิบล้านยังอนุญาตให้ตายไม่ได้โอ้โหอ๋อต้องต้องให้ทั้งก่อนแล้วก่อเลใช่ถาตายแล้วม่ได้ให้ขอ้โมถามรดิกาจบเรียนไม่ได้ีทางลาสลาสนเกว่าจเป็นนะปากากเขาแป้งกช่เาอะไร ก็ภาวนาไม่ใช่เฉยเมื่อเช้าเราไปเรื่อยๆทำใจธรรมดามันมีไร่ฆ่าอยู่ที่จับจับมันมีข้าวใส่ข้าแกป้งอันนโมานี้ทำมาลาลาปรากฏว่าเมื่อปีใหม่แกต้งช่วยไปขายชิ้นามคนย้นไปททขาวแป้งนี่เลยลาบเลยลาบลยโอ้ว่าใครสนใจภาษานี้ภาวนาภาษานี้ อาตาพามรวยมากรายวัดขาเทพหร่าไม่ต้องถอยวัดถอยใส่ถอยหน้าเายฉันถอยวัดไปวางได้ไม่เพื่อครสอ้ต้องถายแล้วมือหลวงพ่อเลยใช่วางไว้หน้าวดทสุพวกฟังสทุนต่อแล้วสิ่งางหามีปัญหาประหลาดอยูข้อหนึ่งนผู้หญิงบอกว่าลูกมีความเคารพ ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากไปไหนก็อาาธนามตลอดเวลานั่งทีไรก็เห็นภาพชัดเจนแจ่มใสแต่เวลานี้เวลานึกถึงภาพของพระองค์ทีไรเห็นแต่ไอ้จุงของท่านทุกทีี <c oughs> จริงๆ อยายามเล็กวก็ต่อยหน่อยนะพยายามสลัดอารมณ์นี้ออกไปแล้วนั่งใหม่ก็เห็นจูอีกอย่างไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรและจะแก้เสี่ยงไรจะพักอย่างนี้เป็นปัญหาจริงที่เห็นภาพที่ดีนี่สิทีนี่ะต้องบอก็มีแท้ขาดจูเราเกินไม่ได้หรอีนี่ทุกจูุกจ รม่ได้เ็นไรครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเราจหลคุอยู่อยู่นะต้องไม่ไดใจเดิในวัฏสสารขามข้ามเจ้ามีคุณอยู่้่งใช้แล้วกเป็นพระเจ้าที่ผ่านได้มากครับครั้งแรกนี้นะเห็นไม่เก่งนั้นแม้ก็น่าจะพุ่งหนึ่งพิี่ตอนที่เาเราจะจับอารมณ์เวลาจะตายจะไปจะผ่านที่ผานที่านเกิดเห็นถุงมาถุงทำดีกาลังไปดข มาแล้วคนนี้ดิใครูอยู่ในไหอ่ะโอ้การจูตระรังกรถางดิแกมโอ้โหนั่นน้ำน้ำน้ำไม่นะว่าเอ่อเห็นเห็นแล้วก็มาเห็ไลนแล้วก็นะไม่ใช่ไลน์แ่เรื่องว่ หรือว่าท่าตัดอรมณ์ตัวนี้ถ้าเห็นเป็นพรเจ้าได้อว่าเจ้ามาการทสมันทั้งหมดใช่ไหมราบามีอาการทุกอย่างมทั้งหเนี่ยพเจ้าทรงตัสการไปั้นท่าได้ชั้นใดมีไว้ก็ไม่มีเพื่อการมาราบามีไว้ก็เพื่อใช้ในกิจที่ร่างกายมันต้องการมันใช้เนีผัสะเนี่ยอมีเท่าน้นราบทรากือว่าเราพทตารณนี้ทราบใันไห หญิงรักก็พยายามตักตรงนี้ออกมาจากใจแ่ถ้ามีการแต่งงานแลก็ต้องรัพานหญ่างสามีที่ว่ากฎที่ไม่จะต้องแต่งงานก็แต่งไปตามคนที่เื้อพวินกฎทุกคำถูกไหมเคยร่วมือเเป็นคู่คองกันมาแต่ก็ถือว่าใช่นี้คืทที่เราหล่อที่สุดอว แต่ตองนี้ว่าตรงมสามารถไปทลาจูลอลือกคอนแำลาจูนะไปดูนิทานแย็นลาด่วนนะก็เย็ลาลาเรื่อยๆมันยุ่งกี่บาทใช่ลาเลยนี่ไม่ได้เหตายเหตจูปีงเหตสาย ทั้งหมดแล้วครับ <c oughs> ก็อยาจะขอประทาทนพรงคานเทศหนึ่งคือว่าวันเสาร์ที่19บของกรกฎาคมท่านเทวดาเช่นจารุภราชีารักษาเกศเนี่ยตาของสลักของสมาเทวีบา้างท่านบอกว่าให้คนนั้นไปหาซื้อไก่ที่กำลังใกล้ทุกข์คา มีก็ปูกขาไว้นะปากบ้าปะระมาณแับสตัวถ้าไปอเอาไปเลี้ยงให้มีความสุขได้จริงๆนะโอ้คล้าก็เป็นการสน้อยจำเก่านะาปากบ้าคือไม่จำเป็นต้องไก่ขาวนะปากครที่กมัดแข้งมัดขาไว้แล้วไม่ใกล้ให่กว่าอ้แต่ว่าไก่ก็าเชื้อมาปเป็นยังเลือกตัวจีนเนี่ยมันมีแน่าปากบ้ามีปาามันมีแน่สักสาตัวตแต่งเลยโอ้ไม่ต้องเลือกซื้อปากบากนี่คือบอก อ, อ๋อขนาดเรื่อที่สูงสริมานเดินมือกันเนี่ยเยี่ยมของใครมึงเลยแต่ต้าเ้ามาจากไหนเรือ <c oughs> ถ้ามาแล้วมากเขาแค่บอกผมรักษาเกณนี้ครับนี่ประจำเขณเนี่อ๋อี่บ้านเนียนะบาตาถ้ารา <c oughs> ุณบราร์กะีเก่าสั่งสมบารีมีกําลังแรง <c oughs> บางท่านฟังทเทศจกเบียเตอระไรอย บางครั้สก็ติดพระโสดาบันอุู่พใหญ่อย่างว่าเช่นอยางว่านนทนนนทนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สุภะโกนะเป็นเชงทายาแต่เป็นตัวอย่างว่าติิพระโสดาบันอยู่ตอสเอ็ดส่้าเกือบสิ่ตัวอย่างนจะไม่ทายาเลยแล้วกะเจ้านนการปฏิบัติจริงๆแม้จะเป็นสุขะโสุภะโกพันก็แนะนำว่าถ้าบุคคลผู้ใด สามารถสงรม์ของวัสดาบันได้ให้ใช้ลง เ, เข้าตักสรุปร์ผ่ารเลยอีกสองจังหวะไม่ต้องอะไรในกวาหมายความว่าเรามีความรู้สึกมีปัญญามีความรู้สึกว่ารา่างกายมันต้องตายยังไงไงก็ตายแน่ถ้าจะตายเราไม่ยอมไปอยไร ก, ก, กูหลือกพระพุทธเจ้ามาทำพระอริยสงฆ์เป็นที่สุด มีศีลทภาบริสุท ธ, ธิ์หมดแล้วนี่ว่าอภายัยภูมิบาปเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดไม่มีผลสำหับเราต่อไปไม่ลงตอตอนหลังนี่นก็จับอารมณ์ว่าอะไรคือเข้าไปตัดอวิชชาเลยใช้ปัญญาพิจารณาการความเป็นจริงว่ากายเกิดเป็นมนุษย์นี่มันมีความสุขหรือมีความทุกข์ร่างกายของมนุษย์มีการทรงตัวไหม จตอบอกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอดีจังถือความไม่เที่ยงร่างกายคนอื่นต้องไม่เที่ยงร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงมันสุดโต่กว่าแลร่างกายนี่มันเป็นสุดเะไมทุกข์ความหิวเป็นสุดจะไม่ทุกข์ควกการที่อุจจาระปัสาวะเป็นสุดจไม่ทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุดจะไม่ทุกข์การท้อประกอบกิจการงานมันเหลือต้มานตัวทรมานใจเป็นสุดจะไม่ทุกข์ การพัดพลาดแต่ของรักของเท่ใจเป็นสุขละไม่ทุกข์อาการนี้เขาบีบพันยาตายเป็นสุขละไมทุกข์ก็เห็นแล้วว่ามัเป็นสุขก็ลองความมาใช้ปัญญาเข้าตัดจุดนี้แล้วอีจุดหนึ่งก า, ารเป็นเทวดาและคมดีไหมมองง่นยง่ายตามความเปจริงก็ว่าดีก็ความคิดแต่ว่าความคิดก็เทวดาและคมอยู่ได้ไหม เวลาหมดพุนวาสนะบารมีถล like ่มมามันก็เหมือนจิตจิตตุที่ดีจริงนิพพานไม่แตกแค่นี้นะคือเห็นว่ามนุษย์ไม่เป็นเรื่องเทวดารองก็ไม่เป็นเรื่องฉันต้องการอิพนนิพพานีกคมคเนว่ยเป็นเรอทารมณ์นี้สื่ออารมณ์พ่ไานอนว่าคนอย์ไม่เเราจะเป็นเหาอง้มันนีกคไนนคืเห็นานุษย์ไน่องเวาพรก มีจมูกมีปากมีผมมีชื่อมีดุงตามีจักรพรรดิมีที่มีเี่ยวเหมือนเราเป็นไรใครรู้ว่าเรากับท่านจะมีกำลังใจเข้มข้นเท่ากันไหมความเข้มข้นของกำลังใจอย่างนิดว่าสร้างกันได้ง่ายๆมันก็ต้องอาศัยบุญบารมีเก่า้าการสั่งสมบารมีเดินมาไม่พอ ภาพนี้ขยันเท่าไรก็ตามมันก็ยังไม่เสร็จมันต้องสะสมกับทุกชาติเราก็ต้องไปนั่งมองทางความจริงว่าคนอย่างเราจะไปฏิภานได้ไหมก็อย่างที่พูดมาตอ น, นวันนะั้นพูดมาเยอะสุดวันเอากแค่ศรัทธาก่ศรัทธาคือความเชื่อในการต้องการจะบําเพ็ญบุญสมเด็จพระธรรมประค เอาตังนี้เป็นเครื่องวัดศรัทธาดิขับแรความเชื่อตามแบบแล้วก็มีว่าศรัทธาไอ้อธิโมกศรัทธาคือศรัทธาที่ไม่แท่ปัญญากันก่อเป็นความโมยยาง่เนี่ยการศึกษามมมมศรัศทธาที่สำนึกปัญญาจะไปต่อจากปัญญาก่อนจะเชื่อพิจารณาให้คนอย่างสองอย่างไม่ยังไม่ไปตึ้งไม่เป็นเครื่องวัดต้ามีาบารมีเต็มแล้วไม่เต็ม ต้องไปดูสทาปน์คู่หนึ่งคู่นี้ทว่าสงฉายิการรัทธากับอาสงฉายนิการัทธาแสงฉายิจการศรัทธาก่อนที่จะเชื่อต้องมีคนโค่นคนแนะคนนข้าดึงไปไปทำลุ้นลิลลแน่ทนี่ไปไหมดีไม่ดีไปถึงว่าแล้วไอ้ไหนประกาศเป่าเปเป่าที่จะสร้างส่วนสักหลังและวคาเสาก็หลงแหมประกาศคึ้งวันยังไม่ได้ส แล้วการแล้วประเทศอีกก็ทากันทำบ้างอะงรทำบ้างหรือว่าเข้าไปทำอย่างนี้ที่ว่าสังสารนิจกรราเป็นศรัทธาทุกคนที่มีบารมียังไม่เส็จไม่เปร็จบารมีถ้าสังสาริกกราราไม่มีการที่ว่าไม่ต้องผลมันจะไม่ไท้กันเห็นแล้วพอใจทำอย่างพวกเราฉะนั้นมันจะยกกุยกไยไุไปได้ในึ้นในตรงนี้ ตัวมันโตทั้งแตแล้วโตเองนเยก็สวยที่ามันย่างฉันอุ้มมันใครจะแจ้งเขาจะอุ้มมันจะต้องดาวสิบล้านก่อนเอดาวัว่าถ้ายังไมอุ้มก็มีสิทิได้สิบล้านเออมาอุมแล้วจะให้เท่าไรไม่ให้ไม่ไหวจะดาวแล้วเอาดาวเลยไดูหมดยกคนไหวจะโตไนี่ต้อใช้รถยกเลยแล้วยงพวกเรานี่ มีหรือเปล่าไม่เคยใช่ก็มานลยแล้วอย่าเรียกตะกี้แต่มันอย่าทำกูอย่าทำอย่างนี้กย่าทำจะท่ากหน้า้ายอย่างนี้ท่าสังสาริการตานะในกลางทุกวันที่พวกเราทำกันแลวพ่อมันนั่งบองทีมันไม่การเรียบมาเริ่มทามันแล้วต่างคนต่างเรียบอย่างนี้เป็นอสังสาริการตาคือเป็นศรัทธาทุกคนที่มีบารมีเต็ม แบบนี้มีหวังผ่านหน่นอยแล้วก็มีเคล็ดว่าอีกจุดหนึ่งก็เพราะท่านพิจารณาลงยิอันนี้นี่เนาะเนาะถ้าเข้าเขตอริยพันได้การที่จะนำอริยสมนในกายเข้าเขตอริยพันธ์้ต้องรู้นะถ้าจิตเพียงแค่เข้าถึงตั้งณฑ์โสดาสีอาคาณาคานะยิ่สหาดเท่านั้นเองนริยพันธ์แจ่มสายได้จะเข้า ไ, ได้นะ จะได้ทนะานชัดได้มันจะเข้าไม่ไดนะ้หรือเข้าไปในใ น, นม า, นนามรุิพานแล้วม่อีจิตเวิาไม่จะเข้าในในมาริพานเนี่ยเวลาไม่จิตต้องสะอาดเาข้ากันถ้ทุกคนไม่ทาได้ก็มั่นใจว่าขนาดหนึ่งเขาจิตเราสะอาดเท่ า, า, ากันวันนี้จะทำเพราะมันเปนขนาดเดียวแต่มาจิตเกิกิเลสครอกใหม่ นี่เต้องพีสูจน์กันว่าเวลาที่เข้าวนนี้ ไ, ม ไ, มไหมหมายพวกเราในเกียรติภิบาลเวลานั้นเรานั่งบนรถอีกบ น, ตนเตียนมันตังได้ไหมอํานั่งเราลื่นนั่งเราลืนลลา่นภาพนี้ยังไม่มีหวังถ้าจะให้มีหวังต้องตัดชจจิ้นใจทีนั้นตัดชินใจทันทีว่าพระร่างกายที่สลายตัวมาอะไรของมาที่นี่ตัวเสียเราจะนั่งได้ไัมเวลาไหนเรากิจสระรทีมีความจริงจัง อาบเอิญเข้าไปแล้วมันไม่เลื่อนเลยหรอกเขาบอกแน่เป็นที่ใหญเป็นนักวิชาก า, ารการวิญญาณที่มีเครื่องวัดนะก็ื่อทความว่าบาลมียรออ์พูดถึงปัญญาภิพายจะไหมก็คืนนี้ย่าโจมมาใหม่อยู่4คนที่ท่านยังไม่เข้าใจมี4คนอะไรเวลาเอาไปตรวจจิต กิดภาพมันจะออกเป็นไหนนะตรงนาบนั่งไบอกสคนนี่มมาใหม่ก็ยังไม่รู้เรื่องเอ้ยส่วนไอ้คนนี้ไม่เหลือท่านบอกอ้ย่าเาเรมีเพาส์เดี๋ยวมันไฟแล้วไม่มีตามมันไม่ทันตองสร้างใหญ่วัดาสุรอวัดตายุก่อนดนี้พครก่อนอมมาใหญใช่ไหมแล้วบอกต้องหมดไม่เหลือสามบาจิตไม่แน่ครับ ดีบ้างเลวบ้างเ ด, ดี๋ยวก็ ด, ดีเ ด, ดี๋ยวก็เลวเดี๋ยวกบบ็โบอกมัเรื่องธรรมดาของจิตเรื่องเรื่องธรรมดาเขาปวดคงกลับแต่ส่วนลึกคือความดีจริงๆภายในเข า, ามีอยู่ในตัวเองพอรับมัญญัติมาถึงก็เป็นเรววัตรเทววัตมีความหนักในความเป็นอยู่ตัวเรียกตัวเองจะมันฆ่าเนี่ยที่ขู่ที่อยากที่ขูก็แปลผู้ขอห้ามให้มีหน้าที่ขออย่าง เ้าให้จิระเบียบของรับรรม่ายามพยากามใการว้่ให้ห่างของมันแม่แต่คนต้องมีระเบียบจีตใจไม่งั้นจะมีความผิดได้เล่นเมื่อถ้านบอกว่านั่นเรื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็ต้องดูอารมณ์กันท่าขอคนใดถ้าเดินตามสายสุขภาวศสติโกอิกรักปฏิภาณเป็นอารมณ์ ข้ารัชแม่วันหนึ่งก็าอาจจะคิดนิพพานสักครั้งแลสองครั้งเวลาก่อนห ล, ลับก็เกิดใหม่ทีกสบายอันนี้มีหวังว่าถ้าพวกที่ได้ ม, นมานงยุิขยันนิพพานวันละครสองครั้ ง, งพเพียงเี้ยวเพียงก็ได้จิตเยี่ยมเยี่ยวขึว้นฉนบอกว่ า, าขณะวิทยาสุกาพุทธโกจิตต้องการนิพพานเป็นอารมณ์เวลานั้นฉันต้องการ เวลาเนี่ยเราจิตมันต้องผ่นนี่ผานไีเวลานั้นจิตมันาจเด็กทั้งหมดเนี่ยอารมณีอยากแก้ได้ก็ได้ผ่านเวลาเนั้นจิตเดกไม่มีเลยรมณ์ความรัในคบามเความชื่นโตคเรเวลาใช่หมความโลภก็ต้องทิ้งความโกรธก็ทิงความโงก็งเวลานั้นมันไม่ได้อจิติตสะมาด ัสักคู่เดียวเดี๋ยวเียวแขงสองสานาทีก็ะจ็เดี๋ยวกลับมาใหม่ก็แขงมานบอกว่าปิดเสื่อมัดบอเล็กกว่าน้อยมันจะสาทุกวันเวลาเขานาทีและเวลาที่จะตายจริบามีทั้งหมดจะเข้ารวมตัวแล้วก็มีหลักวิถแน่นอนสาหรับคนที่ได้มโนวิธีถ้าขยันฝันวิาีตามปกติโรยเพาะแยงนิ่ก่อนหลับและ้ามืดแลมเสคัมาก ถ้าเมื่อจะจิตไปที่นิพพานแล้ววันนั้นทั้งวันจิตเปนสะอาดที่สุดแลคนอาบน้ำตัวเกลี้ยงข้อระบูดีร่างทาอะไรก็ดีหมดทม่มีอเปือนแต่พเอิางฝนลออมนเปื้อนบั่งมันก็เหน็งแล้วก็ไปแหนงใช่ไหมกนหลุดง่ายเลเหมือนคนที่ไยดินพ่อทั้งวันใช่ไหมแล้วเวลาที่จิตเข้าไปที่นิพพานมันหมดทีเดียวเลย ลงมาแล้ ว, ก, ลวกิเกลสเราจะเอาะแะได้เกาะจะเป็นกำลังไปไดนน้เราก็ล้างมาทุกวันจนสิงและเราพุ่งนี่เป็นไทนี่อควาาว่าเมื่อคืนนี่ทามันยืนยาเรื่องวันนี้ไทนมันยืนยันในเร่วัคืนเม่อคืนนี่ฉันพูดอะไรล่างฉันจำไม่ได้็คือในนี้ฉันไม่เห็นอะไรต้องว่าตามคำบอกทุกคำเมือคืนนี่ว่าตามคำบอกได้ไปในง้า วันนี้เพีงพี่จะลงมาบอกเกิดผูกเดยอัญญก็ฟังหมดบอกมาเองอบบ า, าแล้วทไมก็บอกว่าอย่าไปได้บอกวันนีบอกสัญญาสิบบอกลกแค่นั้นแหะ่ต้องเอสจับต้นแล้วก็จับลายเลยใส่ลงแไม่ต้องากจนคำบอกแล้แค่นี้ของพูด้วยปวดไปแบ ห, น, หนื่นอยกับเหนื่อยเลย นี่เลยไม่พูดแต่ไมถามให้คนไม่คุยนี่เลยฮอเาลอก็เลยเราได้พูดมากไอหลักวิชามาเยอะไปหลักวิชาถ้าอยากคุยกันทั้งมีเรื่องคุยแล้วอย่าลืมนะท่ันจะนักพูดมาก่อนแต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์สนหรับพวกเราเลยเพราะพวกเราไม่ไอ้เป็นไปที่ไทยแต่ เพราะว่าไม่ใช่คนแกบเป็นคนกินใช่ไหาละถ้ากำลังบรมีขนาะนี้ก็ะดุมลักษณะคนกินอย่างเดียวไม่ใช่คนแกบไอ้คนแสบแกงเขาสเ่งนักแกงต้องส่งใส่ให้บ้างคนอยู่ที่มาใส่ใช่ไหมแกงเป็นนักแกงส่งไอ้ลูกใส่เพื่ออะไรก็ได้เห็นเปล่าอ่ะ เอ็นสมุนไพรโขลกพิษใส่แกงเยอะแกงแท้แน่แต่ไม่ได้ใไปหมดนะต้นอยู่ว่านี้ไม่แก้ปัญันบุญตัวแล้วใ่ไหมแกงเสร็จแส่อะไรแกงแลกวแต่ในตัวก็ต้องยูําเจอนั่นหมายความเริ่มบารมีต้นเราต้องทำแบบนั้นเวลานี้กำลังพอเราแค่รวมกำลังของลังของโลกของประเทศไท เพอเอาแกงมากินอย่างเดียวข้าไม่ดีมากเพราะอะไรไหมไอ้นคนนี้ไป็โง่เหมือนตามฉันงั้นจะไฟหมดแล้วลเพื่อนเพี่พี่น้องเขาไฟ ไ, ไปลูกโกรธนั้นไม่กินไม่เกิดแส น, นไปโกรธก่อนที้ยะต้นต้นฉันข้าวเป็นาสีลูกสาเนี่ยขึ้นไปได้วันึงที่ในโยมบอกคนนี้ลูกก็าจะมาลาลาไปไหนลา สามลายสีร้อยสามห้าร้ามเ้องลาไปในความกตินแห่งการบอกเล่นลายกันเดินเล่นลายพวกแต่จะแต่งหนุ่มใที่เกียรติจริงๆหน้าจะไม่ช่วยหลวงพ่อฟังดินฟังสายสู้กูได้ไหมยะให้กูม่ดีกว่าให้ดีกูไ้รู้รักจริงๆเนี่ยเด็กใจออก และก็พูดสารความเพียงในพวกเรางานตา่างๆที่เกิดขึ้นเคยต้องเข็งกน ห, หรืกเปล่าใครถนัดทางไหนไม่มีการแข่งอะไรก็พรอดีๆอะไรมันมันตั้งใจมาดีๆเรื่องรวมความ ว, าว่าการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยมันมีหวงเต็มที่แต่ว่าทุกคนอยากละสิทธินะคืออันมันเรียกรำอยากทำมากานะ ยังฆ่าสตัตว์เล็กิี่ในธรรมถึงแมโ้โตเล็กก็รอนิตยประการที่สองอย่าปรามาทยส์สตรีชนาทงโดรเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เยมุชนศากดิเริ่มตน้นขอามาทั่วสตรีชนาทงโดองฉพาะอย่างนี้เ้าต้องจับสังาากกาหาริย์รู้ใจภาษาไทยเราเคยสมมติภาพทั้งได้การตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีรู้เท่ากับทิศทยก็ดี อ๋อสนิทไปเจนสีสดสะตาลัยอดพอดใช้ตั้งแต่วันนี้ไปจะปล่อยข้าพนิพานว่ายิ้กวันนะการรู้การดูแลวก็ผลที่ทุได้ไปแน่แน่คือเราจะไอยากและไปง่ายจุดหนึ่ง ค, คือว่ามีกินล้วไม่มีกินถ้าไมก็จะมีกินมันก็จเดือดร้อนแล้ว่าท่านยากกับท่าแม่ก็สมคระขอวาทายแล้วก็เจ็จหา นี่ท่านช่วยกัเตที่ลแล้วถาคพ อ, อยายยิ่งก็เทวดาไกให้อภัยต้องบูมปู ว, วัวันนี้ไก่ก็หมดหลายตัวนะไ อ, อ้ น, นี่เป็นเรื่องแปลที่สุดที่ของใหอภัยกันไม่ได้แต่แว่าเขากลับมาให้อภัยกับพวกเราเขาบอกว่าคาดีคือบุญบารมีกาลังแรงพอที่พอจะเรารับแล้วก็มีความสก็เคยเขวได้เลย นี่ต้องพอใจในจิตขอเรากระ2วนการที่สพระู้เเจ้ากไว้คาถาที่มีความสคัญ้ายทุกคนตั้งใจทำด้วยความตั้งใจจริงอย่ากลามากอย่าว่าเล่ถ้าไม่มีผลจะพูดข้อใได้ก็ถ้าทาจริงๆแบบสบายมีผลเนี่ยถ้ามีความร้อยู่ใหสุขผิดแรงก็สบายการปฏิบัติของไม่ก็ดีนถ้าท้องหิวภานก็ไม่ไว้ มันเรียงเดียวภาวะภาวะปลาทุบปลาขายทุบปลากินก็ลงความว่าให้มั่นใจในความดีและก็พยายามเรีย ก, ยกความชั่วหนึ่อเรื่องว่าชีวิตนี้มันต้องตายสองยอมนับนาะศีเพราะพระเจ้าพระธรรมพระอริยสองได้ความจริงใจไม่เพื่อแพงสงสัย สามรักษาหินให้มันสดเอาให้แน่นนอนแลก็ทแล้วก็รายการที่สี่หวังจุดเดียวที่นิ่แล้วก็ตีกับยาโลกความโรอยาให้มีไอทาวิยาได้แล้อกัดผู้คนอื่นโดยการอยากจะรักษาจะแยกมัจะพูดไ่ไ้พยายได้ไมไดพยาามทำมาหินมัเสื่อม้องอารมณ์ความกดค่อยๆไปทาวิการนิ่งก่อน ค่อยๆไปค่อยๆไปสามหลงความหลงหนึ่งก็น่ากายของเราเยอะเยอะเยอะนี่ใช้ใจตัวนี่ไม่ได้ไม่จำตัวเพราะว่าไม่จำเป็นเพราองคนนี้จํามีหวังตอบเมื่อเวลาวันไหนถ้ามันจะตายจำไม่ดีในทุกคนบางคนอาจจะตายก่อนหลวพ่อบาคนอาจจะตายหลังหลพ่อะต่ก่าจำไม่ถูกเองถ้าวันไหนเวลาไหนถ้าป่วยหนักหรือไม่หนัก ถ้าเห็นเทวดาได้เห็นกรมจะพรปอริยะลอยเต็มอาการแต่ยังไงว่าการป่วยเนี่ยป่วยแลกป่วยมองตาตาให้คิดว่ามันอาจจะตายไปก่อนจะได้ไมาสุมาก็สั้งจกักทิตใจทันทีว่าควานี้ถ้ามนเอื่อจะตายขอไปในายเกิดเดียวเอามุงนี้จะไปเมุ้เอื่หลักจากนั้นถ้าเอห็นพระอริยะอรเจ้าเป็นเป็นความมองตาตาก็เจ็บเลี้วาก็เจ็หมด ก็ดูท่านถ้าเทวดาอยู่หน้าพรงค์อยู่กลางพระหลังอยู่หลังเราไป็นเทวดาพระองค์อยู่หน้าเทวดาอยู่กลางเราเป็นคนวราหลัอยู่หน้าพระเจ้าอยู่หน้าเราเนขันแต่ว่าจิตตั้งไว้ว่าเพื่อให้ผ่านก็ไม่มีทางเพื่อเจ้าเองอะรที่อยู่ใกล้หลายคนอะดีไปๆแล้วมันไม่คุ้มกันเจ้ารอยชัดอยางอยู่คนเพื่อนบอลเลยตอนต่อเพิ่งแปดสอ เข้าเป็นป <ingen> ัผู้ท่านโต้องโอเคานกัวันท่ม่ใช่้นยุานแม่โยความว่าวันนี้เป็นหมดแล้วก็สลากญาติโยมที่มาใหม่ถ้บรเวณใหม่จริงๆนะแลเดี๋ยวจะมาทานจนคุณสองทานส็มาทานเวลา่อนเยเรานาตัดสินใจด้ว่ากายเป็นมนุษย์ก็ไม่ดี เป็นเดวตาหรือคมไปสุดทุกข์เราเราต้องการถ้าไม่เคยพรวนาอย่างอื่นมาก่อนก็ให้คำาวา่าคุกใให้ใจเข้านึกว่าคุณใจนึกแล้วออกนึกว่าโธหรือว่ามันหรือไม่าวาเลยคิดมันเรื่อกไปที่ว่ากายเกิดอย่านี้ไมเ่เป็นเรืเอเเร่องทำไปหน่อกทุกข์ทำหนี่ทุกขวยกว็ทุกข์ใจกาทุกข์เจ้าหนีวัาร้องว่าทุกข์ลูกนีน่มือนไม่ชนะดอกเหยเหมือนชนะต้นก็ทุกข์ แล่วความตายเข้ามาถึงก็คบกันพกใกล้เจ้าของนักกอ้าของพวกเราไม่ตลอการตารเกิดอีถ้าหวังเป็นเทวดาระองค์คนน้อยเกิดไปเราหวังไม่แต่คิดเ้ื่อัวามากของคนดการใช้่งอย่งการภาวนาแท้ก็ิตนสมาธิจิตก็ว่างแจ่มทีวตาการที่เจรมาอยู่แท้ยาสกจเดจิตก็ว่าจิกเนการออย่างนี้ผมจะไม่กาเนือะไร หรือว่าที่สร้างทางเจ้าคุณราช ท, ท, ท, ท, ท่านเราเป็นมีพบกันในวันทวายเจ้าเผาเจ้ากรุเทพเจ้ากรุงเทพเจ้ว่าพระองค์นิสัยแจ้าจันใหญ่สมัยมี่รินบึงแต่อาจารใหญ่หนั่นเองเพราะเขาจะนั่งเรียนทุ่มเรยนอาจารใหญ่แลวก็ที่ใส่เจ้ากรุงเทพคือว่าโท์คนไม่เป็น ตอนนั้นเราไม่สังเกตอะไรกันแล้วก็เป็นหมอดูงพิเศษเั่นไดเห็นหมอดูงบอละว่าจับมือปั๊บมีคนมาคอยดทีวบีมึสามคนมึมีแกงมีหลงมาหมอดูเลยมือดันล่งอย่างนี้แต่ใครไปให้ดูก็อดู่นะให้ดูดูเด่นดูคอคันขึ้นไปเลยก็เลยสงสัยว่าหนึ่งท่านกรดคนไม่เป็น สองจับมือลรู้คนมารู้คนไปเช่นมันบอกนะ <S <S <S <S เดี๋ยวนี้มันคอยมัมเกี้นีที่ไป้ไปก็มกีที่ื่อกี้นแีแค่เราลยกนไม่ไปองค์นในหน้าองจะไม่เห็นคนเหมือนกันนี่ตั น, นะเป็นบริยนเลยเว่าก็ใครใครรู้กันว่ามาหาผนักศึสษผมมาหาผมนะ ม, ผมีตรงไมมีศึกและรูกึกสิกคนเคารพมากใจดีมาก พอเวลาจะ่สอบเวลาสอบก็เข้าห้องเรียนหนเดือนแค่สสอบไม่ตัวเดียวเลยดีมากแล้วเราขยายเขสจบคนที่เ้าพุทธาพนธประมาณสาวแล้วก็จะทําุญที่ร้องอัปีวันที่สิบเนอาทิตแ์อ้อาจจะไปนั่งดับกรตังแถวนั้นตั้นใจขอเขาใช่ไหมเพานนักกนิ นี่แล้วที่กางเ้าเไปพอเช้าสิ่งมันกลันมานอนนี่แต่บุรุษรับมันนอนรอดออกมา้นคลุมห้นอนอ่ะแต่คืนนอนแล้วมันไม่ได้นอนให้กรุงเมืองข้าเขาออกเลยแล้ววันที่สิบก็ไปที่วก็นั่งนึกว่าที่ก็นั่งไมกคือถ้าเวลาการทำแผนกันก็นั่งนึกลงท่านเลยมาแล้วก็อาจารย์คุณไม่ใช่คนทลายทั้งครอบครับ พระสิการเราเพิ่งจะเป็นปริญเราไม่รู้เรื่องกันเลยแต่รู้ต่หนึ่งท่านโปรดกมันเป็นใจดีมากการในสองส่วนทางไหนเมื่อนึกได้ปณิจกรรต่อท่านเร่งนร้องผมก็ให้ใครกถไฟมีรถติดยันพรม่งีใครได้สั่งจะรีโหดได้เลยเมือไรยันเมล่อไรเหน ที่ปัดกูไทยเลยน่ยไม่ต้องนั่งมงใช่ครับโอ้โหอะเมื่อกี้นังในสงสัยพอดีสมเด็จจมาลาที่ใจเขาใจก็ถูกโอ้โหยังไงต้องบกหมายความว่าทำแบบนั้นมันอิสุยามอย่างใส้จแต่โปรดคมไม่เป็นใครแหละครับหมเรื่องพูดไปก็ะมับกระมับที่หายยกย่องคุบาาจารย์ ทีนี p, p, ù, th th ้มาปัญหาว่าลูกหลานจะไปพบหลวงพ่อทีวัดอนงวะที่เกาเนี่ยเอาเวลาไหนหรือยังไงเอาตอนหกโมงเช้าฉันเชียรพ่อพระทรงนั่ฟไฟเลยนะใช่แล้วแล้วจะอยู่ที่นั่นถึงเวลาถ้าไหลเมื่อไหร่ก็เิเขาไฟฟอนเขาถึงเลิกเขาเลยเลยเขาเลิกเขาเลิกกลัวันที่สิบเขาสมุังกระดูกเนี่ยเขาไไปข้งเลย เสร็จแล้วก็กลั บ, บมาคืนมอนที่นั่นไปได้มาทางเราะอนได้เปคุณกันราไปเจอไอ้คนลืมเจ้าคุณไอ้นคนุณรกแค่บอกผมก็เป็นเดือนะครับลืมว่าปเป็นเจ้าคุณในครก็ได้เข้าใจก็คุณเสียวบักอะไรกันวะไอ้พวกมีญาติจะไปลืมหมด้นันก็เราจิ่มก็จะลืม ที่มันกกมเกี่วกับพูดอะไรเลยที่อะรอ๋ออันนองเผาเนี่ยที่ที่วนนี้กจะกกรเรื่องทั้งันฝากฝากอะาไร่พพอให้พวกนี้เริ่มทำสมัยทันหาบรุงท่านมาแต่ทนั้นเพียงสามสี่คนอ๋อว่าลูกหลายคานบอกอย่างนั้นถูกต้องแล้วปราบฝาให้ไปขอมาเพราะปัจจัยธนากรนี้อย่างเดียวเท่านั้นที่มันจะไปอ๋อกพอยังอื่นต้องมุ่บริบูร้อมดแล้วนะ ลาสารเรื่องเรื่้งเรื่องผมเข้าผมเอาตรงเดชบ้างเป็นคนการไขอธรรมดาลาแต่ว่าทุกอย่างคร้อมแล้วอย่าลืมว่าทุกคนเนี่ยเวลาบูชาพระขอมาข้อปฏิบัติพุทธาคมก่อนลาถ้าตอนจะเลพระพุทธเจ้าเดินมาบอกว่าที่ปัญยาโยมทุกผู้จะถูกต้องในการทำกันนะยันี่ตคงลาเลยใช้ได้ในพวกเราหนึ่งอะไรทุกอย่างพร้อม มันต่อไปมันจะตามได้ได้โยมส่งบอกให้โยมก็